ขอความจเจริญในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายตอนลงประโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องอานิสงส์ของกุศ ล, ลกรรมซึ่งก็สืบเนื่องมาจากกรรมสกตาสมาธินั่นเองแต่ว่าธรรมะปฏิบัติเหล่านี้เป็นธรรมะปฏิบัติที่คุ้นคุ้นกับวิถีชีวิตของพุทธบริษัททั้งหลาย ตามปกติเราก็ไม่ค่อยนำเอาอั น, นิสงส์มาแสดงแต่การก็เห็นจริงๆเนี่ยพวกอั น, นิสงส์หรือผลเนี่ยมันจะต้องผ่านการศึกษาผ่านการปฏิบัตินะอั น, นิสงส์จริงจะเกิดมันก็เป็นไปตามกระบวนการของกรรมนะคือกรรมเนี่ยมันต้องมีกุศลนเจตนาเกิดขึ้นภายในใจก่อน เจตนาที่จะให้เจตนาที่จะงดเว้นเจตนาที่จะอนุเคราะห์สงเคราะห์บุคคลอื่นเนี่ยมันต้องเกิดเกิดเจตนาเราแสดงออกมาตอนนั้นเป็นมโนกรรมแะดองออกมาด้วยการพูดด้วยการกระทําเช่นสมมุิเมตตาเนี่ยเราก็ทําทางกายกรรมปฏีกรรมิมโนกรรมเป็นกระบวนการที่หลายต่อเ น, นื่องตัวเนี้มันก็เป็นกรรมพอการนั้นมันก็เกิดผลเกิดวิบากผลที่ยริงมันเกิดที่จิตเรากร่อน แล้วจึงเกิดที่คนอื่นดำนอนคล้ายๆกับเราเราจุดไฟขึ้นมาเนี่ยเราเห็นแสงสว่างก่อนแล้วต่อไปคนอื่นก็จะได้แสงสว่างทีนี้ใครเป็นเจ้าของผลละ่ะเราก็เป็นเจ้าของผลแลวเราก็รู้ผลเหล่านั้นด้วยใจของเราเองแต่ทีนี้ถ้าความเฉืเอยโดยเราไม่เคยมีธรรมะเหล่านั้นมันก็ดลกได้ออกมันไม่มีสัมผัสตรง นะคล้ายๆกับปลากระเต่ามานั่งคุยกันเรื่องสิ่งต่างๆที่เป็นประสบการณ์ของสัตว์ทั้งสองฝ่ายเนะี่ยเวลาพูดเรื่ในน้ําเนี่ยปลามันเข้าใจมันมีประสบการณ์ด้วยกันกระเต่ามันขึ้นบกได้นะปลาไม่ขึ้นไม่ได้พอพูดเรื่องบกเนี่ยปลาปฏิเสธเลยมันเป็นไปไม่ได้มันมีนไม่ได้ แต่ประสบการณ์ของมนุษย์เนี่ยมีความสาคัญที่จะสื่อสารกันได้ติดต่อกันได้ประสบการณ์ธรรมะในทางาศาสนานั้นมันจะต้องได้สัมผัสผลด้วยตัวเองสักระดับหนึ่ง oh. อย่นี้จะไม่ถูกต้องสมบูรณ์อะไรก็ตามนะคเพราะว่าสมบูรณ์ส่วนใหญ่เนี่ยเป็นต้องปฏิบัติพัฒนาขึ้นไปเยอะนะฮะจนจะได้อันิสง์ันาดนั้น อันในส่งข้อต่อไปก็ที่คุ้นเคยอยู่มากอย่างรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งนี้หรืแห่งอื่นี่นที่เป็นรายการธรรมะเนี่ยมันก็คืออนันในส่งของการฝังธรรมที่เราเรียกว่าธรรมะสวนรค์ในสง่งในแง่ของบุญเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะสวนรคใหม่คือบุญสําเร็จโดยการฝังธรรมแต่ผู้สแสด ง, งเองก็ เป็นธรรมเทศนาใหม่คือบุญสมเอตการแสดงธรรมเราจะว่าการแสดงธรรมเนี่ยผู้แสดงเนี่ยมันขจัดโมหะในเรื่องที่ตนแสดงแล้วขจัดโทสะในตัวคนแล้วก็ต้องไม่สนิทในวิชาความรู้ทีนี้ผู้ฟังเนี่ยมันต้องขจัดโทสะที่ตัวคนขจัดโมห ะ, ะ, ะในสิ่งที่เราฟังแล้วก็ลดโลภะ มันไม่ถึงขั้จัดนะฮะเรียกว่าลดโลภะในแนวที่เรียกว่าอยากได้โดยขาดเหตุผลไ่ใช่ยอฟังเทศหน่อยเดียต้องการผลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรต่อใดเนี่ ย, ย, ยมันเกินเหตุเกินผลคือผลกับเหตุเนี่ยไม่ไม่สัมพันธ์กันตอนในการปฏิบัติต่บเนี้ถ้าเราลองสังเกตดูที่จิตเราเนี่ยมันเป็นการสร้างความดีในส่วนตัวเรา แล้วก็ไปยึดโยงกับคนอื่นทีนี้ถ้าหากว่าสมมติว่าพระเทแล้วไม่มีคนฟังนแต่เมตามันก็ไม่ไม่ได้เกิดมันไม่มีตัวพูดที่เราเมตตามันอาจจะขจัดโมหะในเรื่องที่เราแสดงได้นะฮะแต่ขจัดในโทสะในตัวคธไม่ได้เพราะไม่มีพูดแสดงเราก็นั่งพูดอยู่คนเดียวมันก็คลึ้มๆมดีเหมือนกันเนี่ยนะ เพงาะงั้นจริงๆก็เป็นเรื่องกิริยาปฏิกิริยามีการกระทําดีต่อแล้วก็กระทําตอบวิถีชีวิตแบบพุทธเนี่ยที่จริงแล้วถ้าเรามองให้ดีเป็นรู ป, ปกิริยาปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นด้วยกุศลและเจตนาก็เป็นเรื่องที่คนดีมาพบกับคนดีแล้วสงเคราะห์ขุเคราะเกื้อกูลต่อกัน องค์ก็การฟังธรรมนั้นในขณะนั้นๆนี้ น, นมันจะมุ่งขจัดขจัดโมหะคือความไม่รู้ภายในใจเราความเครือบแคลงสงสัยภายในใจเราคือสรุปว่าขจัดสายโมหะนี่สูงทีนี้เราก็ต้องรู้สึกดีต่อผู้ฟังนะต่เราหน้ามันเศ้ายผู้ฟังอยู่นี่ก็เลิกเลิกฟังเลยเขาจะไม่ฟัง เห็นไหมว่าในขณะฟังเนี่ยมันก็ขจัดทัาโมหะขจัดทั้งโทสะแล้วก็กลายเป็นธรรมฉันทะคือความพอใจความยินดีในธรรมทีนี่ผู้แสดงเองก็ขจัดโมหะในธรรมะที่เราแสดงแล้วขจัดโทสะในตัวคนขจัดความสนีในธรรมเห็นไหมเราข ว, วายก็ปฏิบัติธรรมะด้วยกัน แต่เป็นเรื่องเฉพาะตัวคนนะฮะเคยทำคนนั้นก็ได้ตามกระบวนาการกรรมพือเจ้าทรงสแสดงอา น, นิสงไว้เนี่ยค่อนข้างลงตัวนะฮะอา น, นิสงนี่อย่างนี้ทุกแข่งแล้วแม้แต่เราศึกษาวิชาการปัจจุบันถ้าเรามองโดยกลุ่มผลจริงๆมันก็ออกมาในแนวตรงนี้นะการแรกเนี่ยจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังเรื่องราวต่างๆในปัจจุบัน ที่นํามาเสนอนํามาแสดงเนี่ยมันมีบางเรื่องที่เราเคยได้ยินบางเรื่องเราไม่เคยได้ยินหมายว่าใครก็ตามอัตมา ก, ก็ตามทุกคนเนี่ยจะมีลักษณะอย่างนั้นน่แต่ที่นี้ิธรรมะบางข้อเนี่ยเราจะคุณนะเราจะคุณเป็นยวกัศรัทธาพูกปัญญาพวกสติพวกความเพียรอะไรก็ได้เนี่ยเราจะคุณโดยเฉพาะศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะคุณมากโลภกดลงเนี่จะคุณมากหลวงตาหูยังจมูลิ้นกายใจแต่แต่เนี่ยจะคุณ วราวเราไปจริงๆก็อยู่ในตัวเราแล้วก็เป็นตัวกากับวิถีชีวิตของเราได้ช้ำไปแต่บางอย่างเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้มันก็ถาให้เกิดผลสองอย่างคือได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังและถามมาถึงสิ่งที่เคยฟังแล้วล่ะบางอย่างเราไม่เข้าใจ อย่างกตัวอย่างอาตมาเองเนีย่ ย, ยติดเรื่องไปไม่กับหลับไม่ตื่นพื้นไม่มีนิไ ม, ม, ม่พ้นอยู่เนี่ยอยู่นานประสมควรนะคือเราื่อแล้วเราอธิบายไม่ได้ก็ถามคนอื่นเขาบอกว่าเป็นเรื่องคนตายบอกว่ามันไม่จริงอ่ยมันไม่สมเหตุสมผลทุกบาทคือบางบาทเนี่ยมันไม่มีสมเหตุสมผลถ้าเราจะเอ า, าทั้งหมดเนี่ยหมายถึงคนตายแล้วก็พยายาม ศึกษาพยายามดูมมาจากไหนใครเป็นคนคิดขึ้นแล้วก็หมายจริงๆเนี่ยเขาต้องการหมายถึงอะไรแล้วต่อมาก็ไปเจอตามต้นไม้นะฮะไปเจอที่ต้นไม้ที่สำนักชีสันติสุขไปบรรยายวิชาประวัติศาสตร์ประพุทธศาสนาอยู่หลายครั้งนะฮะไปเห็นป้ายมันเยอะแล้วก็ขอให้แม่ชีเขาช่วยลอกมาทั้งหมด แล้วก็จัดพิมพ์ไปให้สำนักเขาแจกญาติโยมที่ระมาคือคนมาถึงนี่มันน่าจะได้อ่านแล้วก็ได้อะไรปรากฏว่าเอาข้าจริงเนะี่ยท่านอธิบายไว้ว่าไปไม่กลับเนี่ยคือการเวลาที่ผ่านมาและผ่านเลยไปเลยที่จะไม่ย้อมกลับมาเลยหลับไม่ตื่นนี่คือคนที่เป็นนิชชาทิฏฐินี่ปลุกยังไงมันไม่ตื่นมันมันอยู่อีกฝากหนึ่งมันอยู่ที่ฝ่ายอวิชา คืไม่มีนี่ใช่คนตายเป็นนี้ไม่พ้นนี่เกิดแก่เจะตายด้วยกันตกอยู่ในกฎของปัตรัลักณ์เนี่ยแล้วแยกเดียวคือแต่ละข้อแต่ละข้อนี่หมายแต่ละเรื่องกันแต่สรุปแล้วว่าคือคติธรรมดาของชีวิตแต่ก็ไม่ได้หมายถึงคนตายอย่างเดียวเราก็เออว่ามีเหตุมีผลทีนี้บางเรื่องเนี่ยย่าในปัจจุบันเนี่ยเช่นสมมติว่า ทำไมเราจุดธูกสามดอกจุดเทียนออสองเล่มแล้วก็มีดอกไม้สองแจ ก, กันได้รต่ไรเ น, นี่ยคือเราฟังอธิบายแล้วเนี่มันไม่ได้ข้อยุตดดิคือไม่มีเหตุผลแล้วก็ขัดแย้งกันเองกันต่างคนต่างพูดเพราะั้นเมื่อมันขาด ค, ความสมเหตุสมผลเราก็มองรุมรัว ม, มาบูชามาัฒนาไรล นะอะไรที่เน้นอะไรเนี่ยคงจะมีนะโดยเจตนาเนี่ยแต่ถ้าเราดูจริงๆมันเป็นธรรมเนียมดย่ยวสมัยพุทธกาลเนี่ยบูชาด้วยดอกไม้นั่แน่นอนทูบเทียนเนี่ยอะไรมาก่อนเทียนนี่น่าจะมาทีหลังแต่ว่า บ, บูชาด้วยประชีพที่มีด้ามก็จุดไฟแล้วก็ทูบเนี่ยน่าจะมาทีหลังสุด ซึ่งก็เราพบข้อความวันนี้ในร ะ, ระดับรุ่นอัตรกระถาคือไม่พบรุ่นระบาลีแต่การไม่พบนี่ก็อาจจะหมายถึงว่าเรายังอ่านไม่ถึงก็ได้นะอันนี้ก็คือพอเราได้ฟังมันก็สิ่งที่คยฟังแล้วเนี่ยเรายังไม่เข้าใจชัดมันก็จะค่อยๆชัดขึ้นเรียกบางเว้น เกลียดนานมาแล้วก็ได้ยินคำว่าสี่คนหามสามคนแห่คนหนึ่งนั้งแค่สองคนพาไปมันก็ต้องการอธิบายเหมือนกันเพราะคนที่นำเสนอเนี่ยมันต้องต้องบอกให้ได้ว่าเข้าหมายถึงอะไรเพราะถ้าอยายให้ตีความเราก็ตีความได้เยอะแต่พอเขาอธิบายไปถามว่าหมายถึงอะไรจริงๆก็สี่คนหามก็บอกว่าธาตุสี่ สามคนแห่ก็คือใจรักนะฮะไม่เที่ยงเป็นรูปเป็นนัาตาคนหนึ่งแม่งแคร์ก็คือจิตสองคนพาไปก็คือบุญบาเออมันก็ฟังได้ซึ่งอาจจะมีคนอื่นมาธิบาอย่างอื่นเพราะตัวตัวนี้ที่จริงมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นพระบาลีพุทธวจนะแต่ว่าเป็นการงองของคนที่สะสมประสบการณ์มาไม่ใช่น้อยเลยคิดออกมาเป็นคำคมๆได้เนี่ยก็ถือว่าเก่ง แต่ต้องชัดเจนว่าเขามีความประสงค์เรื่องอะไรแล้วเราก็นะนำมาคิดต่อหรือว่าบางทีเนี่ยเราฟังปาต่อเข้าวไก่เจนว่าปากเป็นปูหูตะก้าตาแต่แกลงปากไม่แพ้่หมูไม่อ้าตาไม่เห็นเป็นหลักธรรมนําให้ว่าใจเย็นคนควรเป็นเช่นนี้บ้างในบางคราวเนี่เรารู้ว่ามันนี่คือการสำรวจระวังเป็นการพูดระดับศีลระดับอินทรีย์สังวรนะครั การพูดถึงการสำรวจระหวังและในกรณีที่จะเป็นบาปเป็นอกุศลบางความพักเราก็เข้าใจทีนี้อาจจะมีคนอื่นที่อธิบายขยายความออกไปได้อีกแล้วก็ได้ความรู้เพิ่มขึ้นโดยเรื่องบางเรื่องเนี่ยในแง่ของการใฝ่รู้ใฝ่เรียนใฝ่ศึกษาคนฟ้าเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราใส่ใจเราสนใจเราตั้งใจจริงๆเนี่ย ไม่ได้เจาะจงมาจากใครนะฮะแม้แต่เด็กเล็กแม้แต่แท็กซี่สามล้อคนงานกรรมกรเนี่ยเราก็หาความรู้อะไรได้ราะงั้นประเด็นตรงเนี้ยมันขัดโมหะสองช่วงนะโมหะที่ยังเครือบแครลงยังไม่แน่ใจแล้วก็โมหะที่ยังไม่รู้ก็เพิ่มความรู้ขึ้นแล้วอย่างน้อก็บันเทาความเครือบแคลงสงสัย คือเรื่องแต่และเรื่องเนี่ยกว่าจะเข้าใจได้ก็จริงไม่ใช่ง่า ย, ย่ะนะคือตามปกติแล้วเรามากักจะมองไปมิติใดมิติหนึ่งแล้วก็ไปลงสันนิษฐานเอาเลยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโน้นที่บางทีมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าเราได้เข้าใจได้ได้ได รับการชี้แจงอธิบายจากแง่มุมต่งางๆมันมีลักษณะธรรมะอย่างเนี่ยชุดหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าลักษณะที่จตุกะคือหมายความว่าธรรมะแต่ละข้อเนี่ยท่านจะจําแนกออกไปเป็นลักษณะมันเป็นยังไงมันมีหน้าที่ยังไงมันมีผลที่ปรากฏแก่จิตเราเนี่เป็นยังไงเมื่อมีอะไรเป็นตัวกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นก็ถ้าเรามองเห็นทั้งสี่ สีลักษณะอย่างนั้นมันก็จะเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นแในที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือมองสิ่งที่ทรงเงินข้ามเดียวมองผ่านจากสิ่งหนึ่งไปหาสิ่งหนึ่งแล้วเราจะเห็นว่าเอาแคจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิ่งทั้งหลายที่จิงมันมีหลายมิติอย่างน้อยก็มองให้เห็นสักสี่ด้านสี่มิติคือสิ่งที่ปรากฏในขณะนั้นสิ่งที่ทรงเัินข้ามแต่สิ่งนั้นสิ่งที่คล้ายคลึงแต่สิ่งนั้นสิ่งที่แปกเพี้ยนแต่สิ่งนั้น คืออาจจะคิดมาจากกลางวันกลางคืนนะฮะแล้วก็หัวลุ่งหัวค่ำใกล้รุ่งกล้ค่ำมันไม่ชัดเจนว่าเป็นกลางวันหรืกลางคืนมันกลารุ่งกล้ค่ำไม่ถึงก็มืดตึ๊ดตือแต่ไม่ถึงก็สว่างแบบกลางวันคือไม่ถึงก็ไม่เห็นอะไรเลยแต่ว่าไม่ถึงก็เห็นชัดเจนแล้วก็กลายเป็นเท่าๆก็แสดงว่าเป็นอาการที่แปรเพียนกันในขณะเดียวกันเนี่ย ก่อนที่จะวัวรุ่งหัวค่ำมันก็แสดงความเป็นมืดเป็นสว่างในชัดเจนก่อนจะหัวค่ำมันก็คือสว่างก่อนจะวรุ่งมันก็ยังมืดอยู่มันก็แสดงให้เห็นว่านั้นก็คือคือตรงกันข้ามกับสิ่งที่จะที่จะมาถึงเนี่ยก็ทาให้เห็นเห็นได้สีแนวและตรงนี้เราก็มาคิดเรื่องอะไรต่อไป นะเช่นจะสมมุติว่าเวลาเนี้ยเวลานี้ที่เราพูดที่ว่าพูดึกลโง่ขยัน น, ะนั่นเองนะมาอยูไม่รู้เลยอย่างมันชี้ก็ทําให้บุ่นไปหมดเลยพอเราพอเรามองได้อย่างนี้มันก็คิดเออคุคิดได้เออบางคนมันก็มีอยู่สี่ประเภทประเภทหนึ่งไม่รู้ไม่ชี้ในกรณีนี้ก็ดีแล้วนะ่ะจะทําทให้บุ่นอีกประเภทหนึ่งรู้แต่ไม่ยอมชี้เนี่ยใจมันคับแคบเกินไป เราเห็นว่ามันก็อาจจะหวงวิชาวหวงความรู้อะไรแต่ไรเนี่ยอย่างเรียนเนีย่ยแม้แต่พวกพักการเมืองคนใหญ่คนโตที่เพื่อนเรียกพระนท่านเนี่ยนะเขาเป็นคู่ต่นนั้นเองมันแบ่งแยกแทนที่จะเข้าไปช่วยเหลือสนับส น, นุนเปล่านาตัวบอกเอาท่านจะมีอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกเราเป็นข้าแผ่นดินเนะี่ยเราก็ทําทงานเพื่อแผ่นดินใครก็ได้ ทำไมจะต้องเกิดแบ่งแยกล่ะทำไมไม่ใช่ปรัชญาในการขนสายเข้าวัดล่ะวัดมันเป็นวัดถุประสงค์วัดมันเป็นสมบัติกลางไม่ใช่เป็นสมบัติของใครประเทศชาติเนี่ยเป็นสมบัติกลางเขาอยู่ภาคไหนภาคฝ่ายค้านภาครัฐบาลไม่มีความไม่มีอะไรอะ่ะทุกคนก็ทาหน้าที่แล้วก็ช่วยเหลือกัน เมื่อรัฐบาลก็บริหาร ข, าข่ายค้ามีอะไรช่วยก็ช่วยมีอะไรติงก็ติงมีอะไรค้านก็ค้านมันไม่ใช่ว่าค้านกับบี่ตะบันไปเรื่อยไป แ, แสดงว่าจิตใจมันก็ขัแคบเกินไปก็เก่งอยู่คนเดียวดูฟังพวกนี้บางที่พูดเ่ยมันมันน่าเกลียดคล้ายๆกับตัวเองเก่งก็คือเ่านเก่งนักหนาอะไรเก่งไม่มีใครเก่งเท่าแล้ว แล้วก็พิสูจน์ะด้างเมื่อชี้ไปอะไรแต่ไหก็พิสูจน์ตัวเองมาตั้งหลายปีแนละ้วไม่ได้เรืงอะไรอันนั้นก็คือก็คือลักษณะของเป็นตัญหาเป็นมานะเป็นทิฏฐิแล้วก็มีความกระด้างจนถึงกับปฏิเสธคนอื่นทีนี้ถ้าหากว่าจิตใจเราไม่ได้มืดบอดอย่างน้อยก็เท่าเท่านะ มันก็ชัดเจนเห็นชัดเจนอะไรไปพอสมควรเล้วก็เมื่อเรารู้เราก็ชี้ในเรื่องที่เรา โ, รโดดไม่ต้องคิดค่าชี้หรอกมันทำงานเพื่อแผ่นดินที่เราลองสังเกตที่เราชะ ง, งักเนี่ยบ้านเมืองเราชะ ง, งักก็เยอะนโยบายดีๆเยอะทยี่สบสามิปีที่แล้วแต่เราศึกษาเนี่ยแม้แต่สมัยชมบลปก็ดีๆเยอะแต่ไม่มีการสืบต่อ เพราะอะไรเพราะว่ามีความคับแคบถึงชี้ก็ไม่ยอมไม่ยอมฟังตอนพวกเหล่าหนึ่งเนี่ยก็รู้แต่ไม่ยอมชี้พวกเหล่าหนึ่งเนี่ยรู้แต่ชี้แต่พวกยังหนึ่งเนี่ยไม่รู้แล้วก็ชี้นี่ยุ่งมากเลยเดีย๋ยวรำประกาศเป็นคนชี้ไปเพทหมายความว่า รู้ไม่รู้แล้วก็ไม่ชี้ก็ดีอะรู้แล้วก็ชี้ตามที่รู้ก็ดีแล้วไม่รู้แต่ไม่ชี้เนี่ยแสดงไม่รู้แต่ไม่ชี้เนี่ยแสดงครับแค่ไม่รู้แต่ชี้เนี่ยวุ่นวายก็อาศัยการคิดต่อคิดต่อจากการฟังเรื่องอะไรก็ตามนะคิดต่อ อย่างที่ภาษาริบุตรท่านฟังปราจชิแสดงธรรมะเนี่ยท่านตีออกไปเป็นร้อยในพันในบันวิจิตพสิสดารมากสามารถอธิบายนะถ้าฟังลองสังเกตเราสมมติว่าพระเจา้าทรงแสดงประมาะตามิตรตังสกเกะเรมแม่เป็นมิตรในเรื่องของตนคนที่ผ่านการเป็นแม่มาแล้วเนี่ยจะเขียนได้ดีมาก ซึ่งหมายความว่าพ่อก็เป็นมิตรในเรื่องของตนแล้วคนที่ผ่านการเป็นพ่อมาแล้วเนี่ยจะใช้ประสบการณ์ตัวเองเนี่ยมาสื่อสารแล้วก็ปูดจาให้คนอื่นเข้าใจเดียนั้นก็อยู่ที่ระบบหนึ่งก็คือการเรียนรู้สองแล้วก็คือการสัมผัสตรงแล้วคิดต่อจะสัมผัสตรงความเคราะแคลงสงสัยในบางประเด็นบางเรื่องเนี่ยมันจะหายไปคือจะได้ความเข้าใจ ก็แสดงว่าอย่างน้อยก็บรรเทาความสงสัยในเรื่องนั้นๆออกไปได้แล้วความคิดเห็นตามปกติมนุษย์เรามาจากวิชาอย่างที่บอกเนี่ยตรงนี้มังแก่งอยู่เรื่อยแต่เรงแก่งอยู่เรื่อยอย่างเนี้ยอย่างที่บอกว่าอะไรสํานักสาํสานักสภาว่าสภาการสาธารณที่เขากําลังล้อมรวมใช้คํำหรือเกินเนะ่ย ลองรวมคําสอนในศาสนาต่างๆใเข้าไว้ในหลักสูตรแต่ยังไม่ได้ดูรายละเอียดนะดูหรือยวขอสัมภาษณ์เนะี่ยก็ยังไม่ไป่ออกนะฮะว่าทำทำอะไรแล้วทําไปแล้วมันได้อะไรแล้วที่จริงถ้าเราไปศึกษารัฐธรรมนูญมาตราที่สามสิบแปดมาตราที่เจ็ดปสามนี่มันขัดแย้งนะคือไม่ทําอย่างนั้นแล้วไปขัดกับรัฐธรรมนูญเลยแล้วขัดกับสิทธิมนุษยชนด้วย แล้วอาจจะขัด ก, กับกฎปัตตาประชาชาติได้ซ้ไปที่สำคัญอย่างยิ่งคือขัดธรรมชาติของศ า, ศาสนาศาสนานั้นที่จริงมันเป็นธรรมชาติมันก็ป่าทั้งป่าเนี่ยมีต้นไม้สารพัดชนิดเขาก็มีประโยชน์ตามทุกวนกับฐานะของเขาแล้วเราก็มาหลอมรวมม่เหลือต้นเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้ แล้วก็ขาดแคลนในโวนเดินๆไปความคิดเรื่องศาสนานะี่อย่าลืมว่ามันไปผูกโยงอยู่กับที่พึ่งสูงสุดในแต่ละศาสนาทีนี้การที่สภากลางสาแห่งชาติหรือแม้เอก o มิจา ก, การหรือใครก็ตามนะจะเป็นคนเขียนหลักสูตรออกมาเนี่ยแล้วอธิบายเลขหมดเมื่อใกล้ๆกบจริยธรรมนะ่ะจรรยะจริยศึกษาจรยิจรยธรรมนะั้นก็เรียกจริยธรรม60รข้อนะฮะเอามาจากฝรั่งอนะ่ะ แล้วผลท้ายมันเละฮะคือคนไม่นับถือเวาลานี้เป็นใครมาจากไหนธรรมศาสศาสนานี่ก็สอนให้คนปฏิบัติไม่ใช่สอนให้ตอบได้ก็สอนให้คนปฏิบัติน้องนําคัมมาเหล่านั้นไปปฏิบัติเพราะคนที่สอนเขานะก็ต้องนับถือแต่เขาไม่นับถือนี่เขาไม่ปฏิบัติหรอกที่ไม่เข้าใจว่านนี้มันเรื่องอะไรมันเรื่องอะไรเหมือนกับเหมือนกับการให้ยาเนี่ย มันต้องหมอให้นะ่ะหมอสั่งไม่ใช่ใครก็ไม่รู้อายามันสั่งเราเราก็ไม่กินะเขาให้ในช่ายก็มีสิทธิ์ให้แต่เราก็มีสิทธิ์ไม่กินนั่นก็คือต้องปรับควาเมเหตุในหะ้มันถูกต้องมาอำนาจหน้าที่กรอบขอบขายของเราเนี่ยคือกระทรวงศึกษาธิการนี่มันมีเยอะนะความคิดเป็นแนวอำนาจอิยมยงมันคุ้นเคยต่อการ ส, สอนเด็กนะ คนเราเนี้ยคุ้นเคยต่อการสอนเด็กสั่งเด็กขู่เด็กเขียนเด็กอะไรต่างๆและสะสมอยู่ภายในจิตสันดาลโดยไม่รู้ตัวนะครับพอโ ต, ตขึ้นมาพอโ ต, ตขึ้นมามันก็นิยมใช้อํานาจเราดูแลไม่นานนะมันก็สะสมมาจากคุ้นเคยคุ้นเคยต่อการต่อการขูเด็กสอนเด็กสั่งเด็กชี้ผิดชี้ถูกกับเด็ก สร้างลักษณะนิสัยแลว้วะความคุ้นเคยนะฮะเราจะเห็นว่าพูดกับคนอันนี้พูดยากนะอัตราใหญ่ไม่เชนเล่นนะฮะมันแค่แค่กับสังคมทหารเนี่ยเป็นสังคมของพัด็จการตัวแบบทหารเนี่ยไปไ ป, ไปใช้ประชาธิไปไตยไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถ้าจะให้เป็นการอภิปรายแสดงความเห็นเรื่องนีก้ก็เก่งแย่ฮนะอดการอดทนฟังฟังความเบ็ดอดอินแย่แต่ลึกๆโครงสร้างเนี่ยมันมันเป็นแนว แมวไม่ใช่ประชาธิปไตยโครงสร้างจริงๆมันเหมือนโครงสร้างพระเนี่ยเราจะเห็นว่าครับผมครับผมก็ฟังด้ว่ยเลยผู้น้อยไม่มีสิทธิแสดงความเห็นนะ่ะมีแต่ผู้ใหญ่ออกความเห็นนวฮะตรงนี้มันมันจะหาข้อยุติไปเหตุผลเนี่ที่จริงยากโดยโครงสร้างมันสร้างเป็นเป็นจิตสันดานของของของมนุษย์เป็นลักษณะนิสัยเรานั้นในการฟังเนี่ยมันทําจิตให้ผ่องแผ่ อันนี้คือเห็นหมดทั้งทั้งห้าข้อแต่ห้าข้อในปัจจุบันในขณะนั้นนั้นเราเห็นครบทั้งห้าข้อเลยนี่คืออานิสงส์ก็กูสดธรรมก็เห็นก็จระจระอย่างเงี้ยแต่มันต้องมีเจตนามีการกระทําแล้วผลเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นเพราะนั้นตรงเนี้ยที่จริงมันเป็นอานิสงส์คือเป็นผลหรือเป็นวิบากแล้วเราก็เป็นเจ้าของวิบากเหล่านั้นแต่แน่นอนว่ามันจะได้แหละเราต้องอาศัยการฝังต่างๆแล้ะต้องฝังด้วยความเคารพด้วย ต้องฟังขนายแต่หลงพ่อโพธิญาในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง่องามไปบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี